ที่เราสาธยายธรรมาจักกับประวัตนาสูตรอนัตตลักณะสูตรจริงๆเราก็เป็นการเจริญสัมมาวาจาในในมงคลสูตรนะนะสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคลมุตตะมังเนะี่ยเป็นการเจริญสัมมาวาจาขณะเดียวกันก็เป็นการเจริญวิมุตตายตนะด้วยเนะี่ยในวิมุตตายตนะห้า เพราะว่าวิมุตตายตนะหข้อแรกก็คือการฟังธรรมข้อที่2ก็คือการแสดงธรรมข้อที่สการสาธยายพระธรรมข้อ4ก็คือการตรึกพระธรรมข้อหก็การเจริญส ม, มถะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้นการสาธยายพระสู่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นทั้งวาจาสุภาษิต ท, ที่อยู่ในมงคลเพราะคําว่าสุภาษิตาจยาวาจานั้นก็คือการกล่าวพุทธพจน์นั่นเอง แล้วคำเดียวกันเนี่ยนะคำใดที่เราพูดได้บ่อยๆคํานั้นก็จะตอกย้ําถึงใจคือว่าให้คล่องปากแล้วก็จะขึ้นใจต่อไปเราก็จะตรึกหรือเอาพระธรรมเหล่านี้มาคิดได้บ่อยการที่เราสามารถมีพระธรรมเหล่านี้มาอยู่ในความคิดเราได้บ่อยๆในที่สุดเราก็จะเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าทุกประการการที่เราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าทุกประการเนี่ยนะเราก็มีทิฏฐิที่คล้อย เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทิฏฐิอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่ประเสริฐเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นทิฏฐิที่นําสัตว์ออกจากทุกข์เนี่ยนะเป็นความเห็นเป็นความรู้ความเห็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เจริญแล้วในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เราก็หมั่นมาเจริญแบบนี้เพราะเราก็ใช้วาจาค่อนข้างเปลืองเนี่ยนะ พูดไปเรื่อยนะแล้วก็คำพูดเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลตรงกันข้ามก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมด้วยซ้ำไปนี่ก็มาเจริญสัมมาวาจาเพราะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่พระเหล่านั้นคือพระปัญจวัคคีย์ท่านได้ฟังแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระธรรมที่พรมทั้งหลายเข้าฟังแล้วก็ตรัสรู้เมื่อเราสาธยายจนคล่องปากขึ้นใจได้เท่าใดเนี่ยนะเราก็ตั้งความปรารถนาว่า ขอให้เรารู้ให้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมที่สาธยานี้ด้วยเถอะขอให้ได้ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านี้ด้วยเถอะกายวาจาใจของเราก็จงเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามพระธรรมเห็นด้วยกับพระธรรมตามที่ได้ตรึกได้สาธยายเพราะว่าการสาธยายพระธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นส ว, วากขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่เรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นเห็นตามนั้นรู้ตามนั้นตรึกนึกคิดตามนั้นเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นได้ ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็มีผู้ที่เขาทําที่สุดแห่งทุกเพราะพระธรรมเหล่านี้มากมายแล้วก็พระธรรมเหล่านี้โดยงานทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นมงคลเนนะเป็นมงคลเป็นพระธรรมที่เป็นมงคลเป็นสู่แรกของพระพุทธศาสนาที่พระองค์แสดงธรรมแก่เวนยศัตว์ทั้งหลายเป็นสูตรที่ประกาศถึงทิฐิและก็เป็นพระสูตรที่ประกาศถึงการแสดงอริยศาสตร์โดยสังเขปแล้วก็ อย่างอนัตตาลักษณะสูตรก็เป็นสูตรที่แสดงการเจริญวิปัสนาโดยสังเขปนั่นแหละก็คือเราก็ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์สิ่งที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตรัสรู้และเราก็ฝึกเจริญเรียกว่าวิปัสนาตามนี้ไปด้วยเนี่ยนะในที่สูตรเราก็จะเห็นคล้อยตามก็เป็นการสั่งสมทิฏฐิอัธยาศัยใครจะรู้เล่าถ้าเราบุญเต็มเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าองค์นี้ถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้องค์ใหม่มาตรัสสูตรเหล่านี้เข้าเราก็ตรัสรู้ได้ เพราะพระพุทธเจ้านั้นโดยธรรมเทศนาไม่ต่างกันนะโดยการใช้คำเป็นต้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนื้อหาก็เหมือนกันเพราะว่าพระนิพพานคือสิ่งเดียวกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าใ น, นอดีตอนาคตตรัสรู้นั้นคือสิ่งเดียวกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าอดีตอนาคตปัจจุบันสั่งสอนก็คือสอนสิ่งเดียวกัน พันถ้าหากว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจในพระธรรมที่ถูกต้องมาตรฐานเอาใช้ได้ตลอดกาลว่ากันใช้ได้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้ด้วยใช้ต่อไปในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยเป็นทิ่ติที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิที่มีสัพพัญญุตยานเป็นสมุทฐานเนี่ยนะไว้เราหมั่นสังสมบ่อยๆแล้วก็ คิดดูว่าสวดครั้งหนึ่งกุศลจิตก็เกิดครั้งหนึ่งสวดตั้ง20 3 0นาทีไปทำบุญนารายมที่มันบุญยาวขนาดนี้ไม่ใช่เสียเงินเสียทองมากแล้วกุศลจิตมันเกิดยาวที่ไหนแต่ว่าการสันเสริมพระธรรมเป็นต้นการสาธยายพระธรรมเหล่านี้ให้กุศลจิตเราเกิดยาวขึ้นพันถ้าเรากุศลจิตเกิดได้บ่อยๆเนืองๆก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอะไร สติเว้นรอบก็หมายความว่ามีสติทุกเมื่อก็มีสติด้วยพุทานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างการที่เราสาธยายแบบนี้บ่อยๆก็อยู่ในธรมมานุสติเนี่ยนะเป็นการตามระลึกถึงพระธรรมที่ผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามก็ตรัสรู้ได้ก็เป็นการเจริญสังขานุสติว่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านตรัสรู้อะไรกันท่านปฏิบัติดีอย่างไรเป็นต้นนั่นเองมาต่อข้อความในอัตถกถาพุทธวงศ์หน้า95ต่อว่า เมื่อพระองค์เนี่ยนะเนรมิตรรัตนจงกรมใช่ไหมรัตนจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนสิบอย่างเป็นต้นในหน้า95กล่าวว่าครั้งนั้นพระศาสดาเข้าสมาบัติที่มีโอทาตกศิน์เป็นอารมณ์ในลําดับที่พระองค์ทรงดําเริแล้วนั่นเองก็ที่ฐานว่าขอแสงสว่างจงมีทั้งหมื่นจักรวาลก็แผ่แผ่แสงสว่างเนี่ยโอทาตะก็คือแสงสว่างนั่นแหละหรือสีขาวแสงสว่างก็ออกเป็นขาวใช่ไหมก็ให้มันสว่างทั่วหมื่นจักรวาล พร้อมกับอธิษฐานจิตนั่นเองแสงสว่างก็ปรากฏตั้งแต่แผ่นดินไปจดอักนิตภพอักนิตภพก็คือโน่นน่ะออพรมชั้นสุทาวาสเพราะฉะนั้นภาษาสังคีติกาจารย์ก็กล่าวว่าแผ่นดินพร้อมทั้งเทวโลกก็สว่างจ้าโลกันตริกะนรกอันหนาก็ปิดไว้ไม่ได้เนี่ย น, นะความมืดทึบก็ถูกขจัดในครั้งนั้นเพราะพบปาฏิหาริย์อันนามหาัศจรรย์เนี่ย น, นะ นี่คว่าแผ่นดินพร้อมกับเทวโลกปัทวีเนี่ยนะปัทวีพร้อมทั้งเทวโลกปัทวีเป็นโดยศัพท์นั้นปัทวีมี4อย่างก็คือหนึ่งกัคขละปัทวีหรืออีกจำนวนหนึ่งก็คือลักษณะปัทวีนั่นเองอย่างที่2สองสัมภารปัทวี3นิมิตปัทวี4ีสมมุติปัทวีใน4อย่างนั้นข้อแรกก่อนนะ ที่ภาษารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไรก็บอกว่าเป็นของหยาบเป็นของแข่นแข็งอะนะภายในจำเพาะตนอันใดนี้เรียกว่ากัขละปฐวีกัขละปฐวีจะภายในหรือภายนอกก็ตา ม, ก, ตามก็มีลักษณะแข่นแข็งหรือลักษณะปฐวีนั้นอันเดียวกันว่าปฐวีธาตุจะเมื่อไรที่ไหนอย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตต่ตอไปปฐวีธาตุก็มีลักษณะแข่นแข็งเท่านั้นเองมัน ความแข็งแข็งจะอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะอยู่กับดินน้ำไฟลมโต๊เตียงต่างเป็นต้นมันก็คือลักษณะที่แข็นแข็งเท่านั้นแหละอโาโปธาต์ก็เอิบอาบเตโชธาต์ก็ร้อนเนีย่ยนะร่าร้อนย่อยสลายวายโอธาต์ก็เคลื่อนไหวเป็นต้นลักษณะธาตุเหล่านั้นก็เป็นเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าลักณะ ล, ลักษณะลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนไฟไม่เหมือนลมของปฐวีธาตุส่วนปฐวี อีกอย่างอย่างที่สองเรียกว่าสะสมภาระปฐวีเพราะว่าสะสมภาระปฐวีนี้มีอยู่2 อ, อย่างนะภายในกับภายนอกภายนอกก็คืออะไรเช่นภิกษุใดขุดเองก็ดีใช้ให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินหรือปฐพีอันนี้ก็เป็นสะสัมภาระปฐพีเนี่ยนะขุดแผ่นดินอันนี้ก็เป็นดินดินดินน้ำนะนะส่วนปฐวีภายใน20เนี่ยนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือปฐวีภายนอกเช่นเหล็กโลหะ พวกโต๊ะตังเตียงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นปฐวีสะสัมภาระปฐวีนั่นเองอ่าปฐวีพร้อมกับสะสัมภาระมีสีเนี่ยนะก็คือปฐวีอยู่โดดๆได้ไหมไม่ได้ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมดนั้นรวมกันเรียกว่าสะสัมภาระปฐวีเพราะว่ามันมีกิจที่มันแข็งมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดน่ะนะส่วนอารัมมะนะปฐวีนิมิตปฐวีก็คือพวกนี้ปฐวีกสินนั่นเอง เรียกว่าปฐวีนิมิตก็คือปฐวีเกสินหรืออารัมมนณะปฐวีก็คือผู้ที่เข้าเจริญกสินโดยมีแผ่นดินดินเป็นอารมณ์หรือดินสีอรุณเป็นอารมณ์อย่างในมหาสุญญาตาสูตรก็บอกวิธีคิดอย่างนี้ก่อนว่าในโลกเนี่ยเปรียบเหมือนว่ามีแต่ต้นไม้อ ย, อย่างเดียวแผ่นดินมีแต่ต้นไม้เสร็จแล้วไม่มีต้นไม้เหลือแต่แผ่นดินเป็นลานเรียบเหมือนหน้ากลองเนี่ยก็เหมือนกับแผ่นดินแล้วก็ใส่ใจในแผ่นดินเข้าปฐวีกสินฌานเป็นต้นเขาก็มีวิธีการ จเจริญปัตวีกสินหรือผู้ที่กวาดวัดบ่อยๆอันนี้สองอันหนึ่งก็คือจะได้จเจริญปัตวีกสินได้เนี่ยนะผู้ที่ปัดกวาดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะพวกเหล่านั้นเป็นนิมิตปัตวีหรืออารัมมณปัตวีส่วนผู้ที่จเจริญกสินจนได้ฌานเนี่ยนะเรียกว่าฌานมีปัตวีกสินเป็นอารมณ์ถ้าเกิดในเทวโลกคือพรหมโลกจะเชื่อว่าปัตวีเทพเรียกว่าเทวดาปัตวีเหมือนเทวดาดินเหมือน เทวดาดินเพราะว่ามีดินเป็นอารมณ์จนได้เกิดเป็นเทวดาเทวดาตรงนี้หมายถึงพรหมนะนะดังที่กล่าวไว้ว่าอาโปเทพปฐวีเทพนะเทวดาน้ําเทวดาไฟเทวดาลมเนี่ยนะเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นสมมุตินะนะเป็นโวหารเป็นบัญญัติแต่ในที่นี้ประสงค์เอาสะสัมภาระปฐวีก็คือแผ่นดินหมายเอาแผ่นดินเทวโลกอ่าเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าโลกันตนรกเนี่ยโลกันตนรกท่านบอกว่าเป็นชื่อของสัตว์นรกจําพวกอสุรกาย โลกันตนรกนั้นอะ่ะเป็นโลกันตริกนานรกนรกหนึ่งอยู่ในระหว่างจักราวาลทั้งสามสมมติถ้ามองจักราวาลเป็นเหมือนกับลูกฟุตบอลในนะช่องว่างระหว่างนั้นแหะโลกันตนรกนรกหนึ่งหนึ่งมีที่ว่างของตรงกลางเหมือนกับเอาล้อเกวียนสามล้อมาตั้งจดกันมันก็จะมีขนาดประมาณ8ปดพันโยศก็บอกว่าแม้แต่ในโลกันตนรกก็ยังมีแสงสว่างอธิบายว่าในการใดพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายทรงแผ่แสงสว่างเพื่อทำปาฏิหารในการนั้นความมืดทึบอันตั้งอยู่ในโลกันตริการนรกก็ทั้งหลายก็ถูกกำจัดให้ใหายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแม้แต่ในโลกันตะนรกนี่คำว่าปาฏิหารแปลว่าอะไรปาฏิหารแปลว่า เ, เพราะนำไปซึ่งปฏิปักษ์หรือทำลายปฏิปักษ์นั่นเอง ชื่อว่าปฏติหารเนี่ยเพราะว่านำมาเอ่อนำเฉพาะซึ่งจิตที่ถึงทิฏฐิและมานะของสัตว์ทั้งหลายหรือชื่อว่าปฏิหาริยะเพราะว่านำมาเฉพาะความเลื่อมใสของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสดังคาว่าปาติหารเนี่ยหมายก็ว่าทําลายทิฏฐิมานะกําจัดฆาสึกแล้วก็นำมาซึ่งความเลื่อมใสเพราะบางพวกนี้เอ่อหนักไปทางมานะหนักไปทางทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าแสดง ปาฏิหารเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ทั้งหลายขึ้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำลายทิฐิและมานะมีความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยอธิบายว่าเทวดามนุษย์และสัตว์ที่บังเกิดในโล ก, กันตริกานรกทั้งหลายแลเห็นปาฏิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วก็เข้าถึงปีติและโสมานะอย่างยิ่ง บัดนี้เพื่อแสดงว่าไม่ใช่มีแสงสว่างในมรุสโลกอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่โลกกล่าวคือสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกแม้ทั้งสก็มีแสงสว่างทั้งหมดเหมือนกันพระธรรมสังคีติกาจารก็เลยกล่าวว่าแสงสว่างอันโอฬานไพบู์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้และโลกอื่นในโลกทั้งสองพร้อมด้วยเทพคนทันมนุษย์ยักษ์รากสดขยายทั้งเบื้องต่ําเบื้องบนและเบื้องขวางก็แสงสว่างอันเนี้ย ไปทั่วไปหมดเลยในหน้า99บอกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่แสงสว่างไปในหมื่นจักรวาลเสร็จแล้วก็เข้าจตุทธชาญอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากชาญ น, นั้นแล้วก็ทรงเหาะขึ้นสูนอากาศอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตทรงแสดงยมกะัติปาฏิหารเรียกว่าปาฏิหารที่แสดงแสดงออกมาเป็นคู่คู่ท่ามกลางเทวบริสัท และมนุษย์บริษัทอันใหญ่เหมือนทรงปโปรยธุลีพระบาทลงเหนือเศียรของพระประยุรยา่าทั้งหลายผู้มีมานะนะพอคือเนรมิตโรงจงกรมเสร็จพระองค์ก็เหาะขึ้นมาก็เหมือนกับเหาะข้าหัวไ ป, ปโปรยฝุ่นละอองธุลีลงบนศีรษะของญาติทั้งหลายนั่นแหละพระองค์ก็แสดงยงมะกะปาฏิหารเรียกว่าปาฏิหารที่กําจัดทิฐิมานะยันํามาซึ่งความเลื่อมใสโดยการแสดงเป็นคู่คู่ อย่างข้อความในปฏิสัมพิธามัคอะนะปฏิสัมพิธามัคยมกะปาติหาริยานิเทศว่าญาณในยมกะปาติหารของพระตถาคตเป็นอย่างไรก็บอกว่าพระตถาคตทรงธรำยมกะปาติหารในโลกนี้ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายลำไฟเนี่ยเรียกว่าท่อไฟก็พุ่งออกจากพระกายเบื้องบนท่อน้ําก็ไหลออกจากพระกายเบื้องล่าง ท่อไฟเนี่ยออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้ําก so ็ไหลออกจากพระกายเบื้องบนครับว่าน้ํากับไฟเนี่ยพุ่งออกก็จริงแต่ว่ามันบวกกับสีหสีที่เรียกว่าฉับพันน์นรังสีเนี่ยนะท่อน้ํากับสายไฟหรือลําไฟเนี่ยที่มันพุ่งออกมาบวกกับสีหสีของพระสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะงดงามขนาดไหนท่อไฟเนี่ยนะก็แลบออกจากพระกายเบื้องบนนะหรือสายไฟหรือแสงไฟเนี่ยนะ ท่อน้ําก็ไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าพระกายเบื้องหลังท่อไฟสายน้ำเนี่ยไหลออกจากพระเนตรเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระกันก็คือหูซ้ายหูขวาเนี่ยพระกันเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระนาศิกเนี่ยนะท่อไฟสายน้ําไหลออกจากจมูกซ้ายจมูกขวานาสิกซ้ายนาศิกขวาอังสาก็คือบ่าซ้ายบาทขวาพระหัดซ้ายพระหัดขวาพระประ VIP, ัดคือสีข้างซ้ายสีข้างขวาพระบาทคือเท้าซ้ายเท้าขวา พระองค์คุลีก็คือนิ้วทั้งหลายเนี่ยนะนิ้วก็สลับกันเป็นท่อไฟกับสายน้ําพระโลมาคือเส้นขนแต่ละเส้นแต่ละเส้นท่อไฟสายน้ําก็ไหลพุ่งออกมาแล้วก็ท่อไฟกับสายน้ําเหล่านี้บวกกับสีหกสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวแดงเข้มเลื่อมพรายเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาเรียกว่าสําเร็จด้วยมโนมยิทธิว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเนินพระพุทธเนรมิตรก็ประทับยืนบ้างประทับนั่งบ้างประทับบันทมบ้างถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนพระพุทธเนรมิตรก็ทรงดำเนินบ้างนั่งบ้างบันทมบ้างถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งพระพุทธเนรมิตรจะเดินจะยืนจะบันทมถ้าพระองค์บันทมพระพุทธเนรมิตรจะดำเนินยืนหรือประทับนั่งก็เนรมิตรพระพุทธเนรมิตรขึ้นมานี่ก็ยังเลือกว่าเอ๊ะ เนรมิตขึ้นมาองค์เดียวหรือว่าเ น, นรมิตขึ้นสามองเนี่ยนะยังสงสัยอยู่ใครเข้าใจยังไงก็คิดเอากันละกันว่าพระพุทธเนรมิตควรจะองค์เดียวหรือสามองเนี่ยนะโยมก็บอกว่าสาม ก, ก็ก็คิดเอากันแล้วกันเพราะไม่เคยเห็นมาทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเนรมิตทรงดําเนินพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับยืนบ้างนั่ ง, งบ้างบรรทมบ้างจากแง่คิดอันเนี้ยทําให้คิดว่าองค์เดียวเพราะว่า or, พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้า <t> บางครั้งพระองค์ก็ยืนบางครั้งก็นั่งบางครั้งก็ ปรมเนี่ย แ, แสดงว่าเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาแค่องค์เดียวบางทีพระองค์เนี่ยพระพุทธเนรมิตประทับยืนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดําเนินบ้างนั่งบ้างปรทมบ้างถ้าพระพุทธเนรมิตประทับนั่งพระผู้มีพระภาคก็ดําเนินบ้างประทับยืนบ้างบันทมบ้างถ้าพระพุทธเนรมิตบันทมพระองค์ก็ดําเนินบ้างประทับยืนบ้างประทับนั่งบ้างอันนี้เป็นญานในยมกาปฏิหาริย า, ยานของพระตถาคตเจ้า เพ่งทราบว่าที่ท่านกล่าวว่าลำไฟเนี่ยที่แลบออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้ำออกจากพระกายเบื้องบนอย่างนี้ก็แสดงว่าลำไฟแลบออกจากพระกายเบื้องบนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นะ่ะก็โดยเตโชกสินสมาบัติไฟที่พุ่งออกมาเนี่ยด้วยอนุภาพของเตโชกสินท่อน้าไหลออกจากพระกายเบื้องล่างก็ด้วยอาโปกสินสมาบัติ เพื่อแสดงอีกว่าลำไฟย่อมเลบออกจากที turkey, amigos, ่ต yeah. yes. ่างๆท่อ uh น้ําก็ไหลออกไปท่อน้ําไหลออกจากที s, <S ่ลำไฟนี่แลบออกก็คือสลับกันระหว่างน้ํากับไฟสถานที่เช่นว่าอย่างยกตัวอย่างว่ากายข้างบนกับกายข้างล่างสลับกันระหว่างน้ํากับไฟพระกายเบื้องหน้ากับเบื้องหลังก็สลับกันระหว่างน้ํากับไฟพระเนตรซ้ายกับขวาสลับกันระหว่างน้ํากับไฟพระกันคือหูซ้ายหูขวาก็สลับกันระหว่าง น้ำกับไฟนาศิก ค, คือจมูกซ้ายจมูกขวาก็สลับการระหว่างน้ำกับไฟหรือแม้กระทั่งตามนิ้วทั้งหลายเนี่ยตามนิ้วทั้งหลายตามพระบาทตามพระหัตต์ต่างๆตามขุมขนต่างๆระหว่างสายน้ำกับท่อไฟเนี่ยไหลสลับคลเข้ากันไปแล้วก็บอกว่าน้ำก็ไม่ได้ปนกับไฟไฟก็ไม่ได้ปนกับน้ำ ส่วนบรรดารัศมีทั้งหลายรัศมีที่สองที่สองเนี่ยนะย่อมเล่นไปในขณะเดียวกันเป็นคู่คู่กับรัศมีต้นต้นกร่ว่ารัศมีออกเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อธรรมดาว่าจิตสองดวงจะเป็นไปในขณะเดียวกันย่อมไม่มีแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายรัศมีเหล่านี้ย่อมเล่บออกไปเหมือนกับขณะเดียวกันหรือท่อไฟกับสายนะเหมือนกับพุ่งออกพร้อมกันแต่จริงๆไม่พร้อมกัน ที่เป็นอย่างนี้เพราะพระองค์เนี่ยมีวสี5ประการเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยอาการ5มีวสี5และอย่างหนึ่งการพักภวังขจิตเนี่ยเป็นไปอย่างเร็วพระพุทธเจ้านี้เข้าผวังแป๊บเดียวเองเท่านั้นไม่ได้เข้านานน่ยนะแต่การนึกการบริกรรมและการอธิษฐานรัศมีหรือไฟกับ น, น้ําเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนละส่วนกันทีเดียวก็คือชํานาญมากทชำนานที่จะนึกชํานาญในการบริกรรมชํานาญอธิษฐานชํานาญในการเข้าชํานาญในการออกไปเนี่ย ไวมากคิดแป๊บๆได้แป๊บเดียวเยอะแยะไปหมดเลยจริงอยู่เมื่อต้องการรัศมีสีเขียวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้านีรัสมาบัติถ้าต้องการรัศมีสีเหลืองพระองค์ก็เข้าปีตะกะสมาบัติถ้าต้องการรัศมีสีขาวพระองค์ก็เข้าโอทาตะสมาบัติเนี่ย เข้าสมาบัติด้วยก็คือเข้ากสินเกือบทุกกสินเลยเช่นกสินกสินดินกสินน้ํากสินไฟกสินลมแล้วก็เข้ากสินสีขาวสีเหลืองสีแดงเข้ากสินสลับกันเนี่ยนะพร้อมกับแสดงฤทธิ์อย่างอื่นประกอบไม่ใช่แสดงแต่ฤทธิ์อย่างเดียวขณะเดียวกันก็ยังมีอะไรเองยังมีการตรวจดูวราระจิตแล้วก็ยังมีการแสดงธรรมมีการเนรมิตพระพุทธเ น, นรมิตขึ้นมามีการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเนรมิตกับพระพุทธเจ้าๆๆนเนี่ยนะก็เหมือนกับพระพุทธเจาๆๆ้าสององค์สนทนากันนัะ เสียดายน่าจะเกิดทันได้ไปดูบ้างบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทำยมะกะาปาฏิหาริย์อยู่อย่างนี้ก็ได้เป็นเหมือนกาละที่เทวดาในหมื่นจักรวาลแม้ทั้งสิ้นทําการประดับองค์ฉะนั้นก็บอกว่ารังสีเหล่านั้นก็เหมือนกับไปเคลือบเหล่าเทวดาเหมือนกันเนี่ยนะเทวดาก็เลยงามไปหมดเลยพระาศาสดาผู้สูงสุดในสัตว์ผู้ยอดเยี่ยมผู้เป็นนายกพิเศษ ได้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วเป็นผู้มีอานุภาพมากมีบุ ญ, ญลักษณะนับร้อยก็แสดงปาฏิหารหานนิย์มหัศจรรย์น่นะอธิบายพระพุทธคุณตามศัพท์โดยลำดับว่าสุดตุตตโมชื่อว่าสุดตุตมะเนี่ยนะแปลว่าสัตตะบวกอุตมะหมายคำว่าเพราะเป็นผู้สูงสุดลำเลิศประเสริฐสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของพระองค์ หรือว่าเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าสุดตุตมะคือในบรรดาสัตว์ที่สูงสุดพระพุทธเจ้าสูงที่สุดเพราะเพราะคุณธรรมของพระองค์สูงเหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยอะไรบ้างพระพุทธกุลมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทนะสนะอย่างเช่นปัญญาพระองค์สูงสุดกว่าสัตว์พระรทั้งหลายด้วยอะไรด้วยอะไรเช่นทศพลายานเวสารชยานอาสาธารณายานเป็นต้นนะนะ พระองค์ก็เลยเป็นผู้สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์สเท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าหรือแม้กระทั่งอสัญญาสัตว์อรูปประพรมทั้งหลายพระองค์ในสูงที่สุดในสัตว์ทั้งหลายอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองก็บอกว่าคําว่าสัตว์นี้เป็นชื่อของยานนะปกติทั่วไปเนี่ยนะถ้าคำว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงฉันทราคะผู้ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าสัตว์แต่พระพุทธเจ้าสัตตุตมะหมายคำว่าพระองค์เนี่ยสัตตะตัวแรกเป็นชื่อของยาน พันคำว่าสัตตุตมะเพราะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดสูงสุดด้วยพระญาณ น, น, น, นสัตว์ตัวนั้นแปลว่าญาณหมายถึงอะไรหมายถึงทศพลายานจตุเวสารชยานและอาสาธรณญาญเป็นต้นนั่นแหละทศพลายานก็คือญาณที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมีอะไรบ้างเช่นฐานาฐานาญเป็นต้นที่กล่าวไปแล้วหรือ จะตุเวสารชยานยานที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้กล้ากล้า 1. ขีณาสวัสดิญญา 2. สัมมาสัมพุทธปฏิญญา3สัมมาสัมพุทธปฏิญญานิยานิกธรร ม, มเทศนาแล้วก็อันตรายิกธรร ม, มเทศนาพระองค์มียานที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้กล้ากล้าองค์อาจไม่ครั่นคร้ำสี่ประการแล้วก็ยังมีอาสาธารณยานอีก6ประการอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือหนึ่งใน6ก็คือ ยมกะปาิหาริยยานและพระองค์ยังมีอะไรอีกมีมหาคารุณาสมาัฏิยานอาศยา น, นุสยายานอินทรียะปโปรปริยัตยานสั พ, พันยุตยานและอนาวรณายานพันพระองค์จึงเป็นสัตว์ที่สูงสุดเพราะทรงทมยิ่งยวดด้วยพระยามีอยู่ก็เลยชื่อว่าสัตว์ตุตมะผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจพระยานนั่นแหละมียานเหนือกว่าพระสัตว์ตทั้งหมด อีกในหนึ่งยานะยานะเนี่ยสูงสุดมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าสัตตุตมะเพราะว่าสัตว์ตัวนั้นแปลว่ายานผู้มียานที่สูงสุดเนี่ยนะผู้มียานอันสูงสุดทีนี้ต่อไปบอกว่าวินายโกก็คือพระองค์ผู้เป็นนายกพิเศษวิตัวนั้นแปลว่าวิเศษนายกวิเศษนายกพิเศษอ่าหรือมาจากวินายกะแปลว่าผู้มีวินยัยก็ได้ น, นะเพราะอะไรเพราะพระองค์มีวินยัยพระองค์ฝึกสัตว์ทั้งหลายด้วยอุบาย คือวินัยเป็นอันมากพระองค์แนะนำด้วยวินัยอะไรบ้างแนะนำสัตว์นะแนะนำด้วยสังวรวินัยแนะนำด้วยปหานะวินัยพระองค์แนะนำด้วยศีลสังวรแนะนำด้วยสติสังวรแนะนำด้วยญาณสังวรวิริยะสังว ร, ว ร, งวรและขันติสังวร พระองค์แนะนําด้วยแตท่ทางข้าประหารวิขำพระหน้ประหารสมุตเฉทประหารปฏิปัตย์ที่ประหารและนิสรณประหารความที่พระองค์สามารถแนะนําทั้งสังวรวินยัย5ประหานวินยัย5โดยนิยต่างๆพระองค์ก็ชื่อว่าวินายโกผู้แนะนําศัตย์โดยอุบายโดยวิธีการโดยประการต่างๆเรียกว่าวินายโก ศรัทธ า, าศาสดาเนี่ยนะพระศาสดาก็คือเพราะทรงพร่ำสอนสัตว์ทั้งหลายตามความเหมาะสมสอนตามความเหมาะสมสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะด้วยด้วยการแนะนําให้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันรับประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือที่จะสําเร็จประโยชน์อย่างยิ <labeling S 2> ่งก็เลยเรียกว่าพระศาสดาที claro. ่อื่นก็บอกว่าศาสดาอีกความหมายหนึ่งก็คือ ผู้นำสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากวัตทุก์ผู้นำสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์พาสัตว์ให้ข้ามจากนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพาสัตว์ให้ข้ามจากขันทาตอัยตนะให้ข้ามพ้นจากวัตตะทั้งหลายก็เลยชื่อว่าพระศาสดาเรียกว่าผู้นำหมู่ผู้นำพวก